มหาสติปัฐานสูตรโดยดังตรินตอนที่เจ็ดเท่าทันความไม่ใช่ตัวตนของผัสสะขั้นที่สามของการฝึกมีสติอยู่กับสภาพธรรม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 ด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการลิ้มเกิดขึ้นก่อนจากนั้นรสจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นรสที่อ ร, อร่อยสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้ลิ้มรสนั้นนานๆ 5. ในการสัมผัสด้วยสติที่คมชัด